วันนี้เป็นวันอุโบสถสวดพระปฏิโมกจบหลงสักครูนี้เป็นเรื่องของศีลสองยยีของพระที่พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติตั้งแต่วันบวชสรุปแล้วก็คือไม่ให้ขาดตกบกพร่องวันนี้ตรงกับวันที่สองธันวาห้าสองเป็นวันอุโบสถของพวกเราแล้วก็ศีลและวินัย เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องขัดจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจจะต้องท่องบนทัศยายตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจพวกเราก็ควรจะศึกษาในหลักธรรมวินัยในสินของเรา227ข้อน่อันนี้สินมาในพระปฏิโมกสินนอกนั้น ศีลนอกพระปฏิโมกยังมีอีกเยอะอันลวนศีลอภิสมาจารศีลนอกพระปฏิโมกสำหรับพระใหม่ก็ศึกษาพอเป็นแนวทางแต่สำหรับพระเก่าที่จะบวช ด, ดำรงทรงศาสนาไปไม่มีกำหนดสมควรอย่างยิ่ยงจะต้องศึกษาในศีลลวินยัยทำไมพระใหม่ยังไมใ่ให้ศึกษา เดี๋ยให้ศึกษาไปบ้างแต่ไม่ศึกษาเฉยก็ไม่ได้แต่เราควรจะเรียนรู้สิกขาบทเรืวว่าความเป็นมาของวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรแต่ก็ไม่ถึงกับเราจะจดจําทุกสิกขาบทเพราะอะไรเพราะเรามีเวลาน้อยเราควรจะศึกษาธรรม ะ, ะมากกว่าเึ่งกฎระเบียบนั้นเราก็ใช้ตาดูหูฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ที่พวกเราอยู่ด้วยท่านพาดำเนินอย่างไรเราก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นและก็พร้อมกันก็เมื่อเราสงสัยจุดไหนเราสงสัยอย่างไรเราก็ถามพระเก่าก็น่าจะเพียงพอแต่ก็ศึกษาบ้างเป็นพื้นฐานเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราลาสิกขาไปเป็นครว่าญาติโยมถ้ามีผู้ถามหรือว่าเห็นพระสงฆ์ ทบบริษัทสี่ทำตนอย่างไรเราก็พอจะรู้แนวทางว่าเออสมัยเมื่อเราได้บวชเราก็ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าศีลของพระสงฆ์227ข้อนั้นมีอะไรบ้างพอเราก็พอจะรู้ผ่านผ่านหูผ่านผ่านตาของเราและก็ผ่านใจของเราด้วยเราได้ศึกษาบ้างถ้า อยากจะรู้ในรายละเอียดเราก็รู้แล้วว่าที่คนพูดอยู่เดียวนี่ที่มันผิดอยู่จุดนี้นะ่ะมันผิดอยู่แถวไหนตรงไหนอย่างไรเราก็พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้เพราะหลักธรรมวินัยอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องหลักธรรมเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยอันนั้นเราจะต้องหาสถานที่ สถานที่สงบหรือปุคระสัพพายะเสานาสนะสัพพายะเสานาสนะสัพพายะคืออย่างพวกเราอยู่เดียเ๋ยวนี้คือเสานาสนะที่พักพา้าอาศัยไม่ครกุกคลีไม่วุ่นวายไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยหรือเสียงบรบกวนต่างๆพร้อมที่พวกเราจะหาความสงบได้หลีกเล้นไดเ้เพราะว่าวัดของเรา มีเนื้อที่กว้างขวางตรงไหนทีไ่ไม่สงบที่ยินไดยินเสียงเราก็พยายามหลบอย่างผมเนี่ยผมอยู่กุฏิมันได้ยินเสียงผมก็หลบไปภาวนาอยู่ข้างบนกุฏิทางถังน้ำผมก็หลบไปอยู่นู่นผมก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันเสียงมันรบกวนวุ่นวายและพวกเพื่อนก็เหมือนกันถ้าว่าอยู่ในสถานที่ใด มันเสียงเกินกรนวุ่นวายพวกเราก็พร้อมที่จะหลบไปทางกุฏิทางหลังวัดได้มีกุฏิต่างเยอะแยะไปสถานที่หลบปีกหลีกเลี้ยนหีกเล่นห า, หาความสงบมุมไหนที่มันพอที่จะสงบไม่เพ่นพันวุ่นวายพวกเราก็หลบไปภาวนาในจุดนั้นเว้นเสียแต่เราจ ะ, จะมาช่วยการงานอันนั้นอีกส่วนหนึ่ง แต่เมื่ออยากจะรบหาภาวนาที่วัดของเรามีนะเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าเสนาชนะสัปายะปุคระสปาย ะ, ะ, ปปายะคือคื อ, คอบุคคลเป็นที่สบายผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนผมอํานวยความสะดวกอย่างเต็มที่อยู่แล้วเรื่องใครอยากจะภาวนาอยากจะเร่งความภาคความเพียรอย่างไรผมอํานวยความสะดวกให้เปิดให้เลยแเวนเสียทัพกท่าน คุกคลีกันด้วยหมู่คณะสนทนากันออกนอกรูนอกทางจับกลุ่มกันคุยกันเรื่องสเพเหะละอันนั้นผมต้องห้ามปลามแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมุ่งมั่นในจิตภาวนาหรือต้องการอยากจะภาวนาอยากจะเดินยู่กลมอยู่ใจตากอยู่ตามลําพังจยจะดูจิตใจของตนเองแต่ละวีแต่ละวันไม่อยากจะคุกคลีตีโมงกับใครๆอันนั้นผมเปิดโอกาสให้แก่หมู่พวกเพื่อน ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วครัผมก็ยินดีและอนุโมทนาในการกระทําของท่านด้วยเบนเสียจะจะทำแบบหลอกๆต่อหน้าหมูพวกเพื่อนต่อหน้าครูบาอาจารย์ก็ทําท่าเป็นอีกอย่างหนึ่งพอรับหลังเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องไร้ราอันนั้นถ้ามันหลอกฉะนั้นก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกวัวตัวของท่านเองท่านทําหลอกหรือท่านทําจริง อันนี้มอบให้แค่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนให้ดูตัวเองเหมือนกันาตามมาจริงไม่น่าจะหลอกหรอกอาทาอะไรทําจริงจังอพอเราเข้ามาบวชไม่ได้มาปวดหลอกตอนเองไม่ได้มาประพฤติเพื่อหลอกคนอื่นเขามาเพื่อชําระใจมาเพื่อดูจิตใจมาเพื่อดูการกระทําของเราสํารวมกายวาจาจใจของเรา เราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาตรวจตราดูความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจของเราฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งอกตั้งใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติในคราวนี้แต่สําหรับผมเองก็อย่างที่ผมได้พูดมาให้แก่พวกเราได้ฟังเป็นแนวทางว่าวัดวาศาสนาก็ต้องมีการดูแลจะต้องมีการพัฒนาบ้างจะให้อยู่แบบ เงียบสงบซาลงศาลากุติหลังนี้ผมก็ไม่ได้เสกคาถามาเหมือนกันก็มีศรัทธาญาติโยมเขามาขอสร้างมาทําให้สมัยเมื่อขอสร้างเขาต้องมีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเสียงรถเสียงค้อนตะปูเสียงเลื่อยเสียงคนที่มาทํางานก็เจียวเจ้าพอสมควรแต่บัดนี้เมื่อมันจบแล้วเหมือนกับศาลาลังนี้ไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนคนมาสร้าง แต่ตามไม่จริงคนนั้นละ่ะมาสร้างเหมือนกับพวกเราเห็นอยู่เดียวนี่ละ่ะคะปงปงปังปังบ้า ง, งแต่ถึงยังไงเราก็จะรู้จักที่หลบเนี่ยที่หลบที่หลีกเฮบางคนบางหมู่บางองค์ก็เห็นว่าเออทำไมสิ่งของที่มากอสร้างเตียงไม้อย่างนี้ผมก็เคยพูดกับกรมป่าไม้บอกว่าไม้ในวัดของหลวงพ่อนี่นะถ้าต้นไม้ต้นไหนไม้มันโค่นลงแล้วมันลม้มลงแล้ว ไม้ทุบพลภาพแล้วมันไม่ไ ม, ไม้ไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะเี่หลวงพ่อขอใช้นะไม้ล้มแล้วนะถ้ามันล้มลงแล้วแล้วจะไปบอกออทางรัฐบาลทางองปปทางป่าไม้มาเอาก็คงจะใช้รถฉีกล้อจะต้องใช้รถแท็กเตอร์ เ, ออเข้ามาบุกเข้ามาต้นไม้ที่อยู่ในวัดหอละเนลนาฏที่หลวงพ่อปลูกเอาไว้เสียหายไปหมดที่ไม้ปลูกล้อมหลอกแต่ถ้าว่าจะเข้ามา เอานะก็มันก็ไม่คุ้มค่าของป่าไม้เพราะนั้นหลวงพ่อขอใช้นะแห่ไม้ที่มันล้มมันโค่นในวัดของหลวงพ่อแต่สมัยสร้างวัดใหม่ก็ได้พูดกับทางป่าไม้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องสมัยนั้นนะต่างคนก็ต่างรับรูบรับทราบเพราะเราก็รักษาป่าอยู่แล้วอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราปลูกเป็นเท่าไหร่ไม้สักเราปลูกเท่าไหร่ ปู่มะข่าเราปลูกเป็นเท่าไหร่นับเลยสิเป็นแสนต้นเราปลูกไวใ้ในวัดของเราแต่มันค้นลงไปแล้วในะให้มันเนา่าทิ้งเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ทํามาทําประโยชน์ซะอันนี้ผมคิ ด, คดว่าไ ด, ด้พูดกับผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่ส่วนไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันทีเกินไปอย่างไม้สักอย่างนี้สามเม็ดก็มีสเม็ดก็มีสเม็ดก็มี ที่มันใหญ่ขึ้นมามันชิงกันขึ้นอย่างนี้นมันชุดลูดขึ้นไปข้างบนน่มันไม่โตนอันนี้ผมก็ได้ถามป่าไม้จะทำยังไงทางป่าไม้ก็บอกว่าถ้าจะให้ทางป่าไม้มาตัดสะสางถ้ว่าสะสางออกคือให้มันที่แรกก็ต้องสต้นห่างกันสต้นต่อไปก็แปต้นห้8เมตรต่อหนึ่งต้นทางป่าไม้ก็ไม่มีกาลังที่จะทาถึงขนาดนั้น เพราะนั้นขอให้ท่านอาจารย์อยากจะทำอะไรก็ทำทาไปเถอะเพราะเราก็ปลูกเองเนี่ยถ้ามันถ้าไม่ออกไม่ได้นะหลวงพ่อนะมันชิงกันขึ้นมันไม่ตกเออมันจะชิงกันขึ้นมันเพิ่มเพิ่มก็จะตายแหละทีเนี้ยว่างั้นตัวไหนมันชิงขึ้นไม่ทันมันก็จะตายก็อย่างนั้นจริงๆที่เราเห็นแล้วมันถีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับหมู่พวกคเออถ้าเป็นภาษาอีสานก็ว่าให้ย้อนออกเนา ไอ้คำมันถีตัวนั้นมันถีเกินไปก็ย้อนออกเอามาทําประโยชน์ถ้าที่จะใช้ประโยชน์เป็นไม้คํำยงคํายันอะไรก็ได้เอแต่ว่าตัวไหนที่มันหาแล้วเอ๋อไวรักษาไว้ให้เป็นป่ารงพงไพ่ขึ้นมาให้เป็นทรัพยากรของวัดทรัพยากรของประเทศชาติพอเราปลูกขึ้นมาเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะทาํามาค้าขายอะไรไม้ในวัดของเราเนยเอามาให้ใช้ประโยชน์แต่ว่าต้นไหนที่มันใหญ่และยาถ้าไม่มี ถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ห้ามแตะต้องเด็ดขาดเพราะ ง, งั้นคนเขาวากควางเลเด็ดขาดคือให้มันใหญ่ให้เป็นไม้ในป่าถึงจะไม่มีอะไรเราใช้ปูนใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ถ้ามันโค่นมันล้มแล้วให้ทำให้เกิดประโยชน์นี่อันนี้ก็คือแนวนโยบายของผมที่เป็นหัวหน้าวัดนะขอให้หมู่พวกเพื่อนอให้สบายใจ ในการดูแลอย่างนี้ผมได้พูดไว้ก่อนแล้วหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาภายหลังก็คงจเห็นสิ่งที่ไม่สบายใจอาจจะมีนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าผมได้คิดไว้ก่อนก่อนหน้านี้สำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วนะอันนี้ก็คือในการก่อสร้างทาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็ไม่ได้สร้างเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่ง สร้างไว้เพื่อพุทธบริษัทสี่ด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ใครจะมาพักพลาอาศัยก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะแต่กระพร้อมกันในขณะที่ทำการก่อสร้างอย่างที่ผมได้พูดก็ขอให้พระรุ่นพี่ผู้ดูแลงานก็ให้แบ่งงานให้รุ่นน้องๆที่เข้ามาหรือฉพผู้สูงอายุภูุ่สูงวัย ควรจะทําอะไระผู้สูงวัยทำตามกําลังของตนเองนั่นแหละปัดกวาดทำความสะอาดช่วยช่วยดูทํางานเหลื่อมกันพวกพระน้อยพะหนุ่มพอที่จะไปช่วยการช่วยงานได้ก็ไปช่วยการช่วยงานกันแต่ถ้าว่ามันหนักหนาผมก็บอกหาวิธีดังออกให้แล้วก็เอาชาวบ้านเด็กหนุ่มเขาพ ร, พร้อมที่จะมาช่วยเราอยู่แล้ว อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นตั้งแต่สร้างวัดมาวัดของเราเนี่เป็นวัดใช้คำว่าวัดน้ําใจวัดสาธารณะสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกหลานเรียกร้องเข้ามาเขาก็มาทําการทํางานช่วยตลอดมา เ, เราก็ช่วยดูแลสงเคราะห์อนุเคราะห์สังขาวัตถุแก่พวกเขาสรุปแล้วก็คือเหมือนกับพี่พี่น้องน้องลูกห ล, ล, ลาน ศรัทธาญาติโยมที่มาวัดของเราเราไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าถือว่าวัดนี้เป็นวัดของผมไม่ใช่นะถ้าใครว่าถือวัดเป็นวัดหลวงพ่ออินคนนั้นคิดผิดควรจะคิดใหม่วพางั้นหลวงพ่อไม่ได้วุ่งหวังว่าจะเอากวดหินดินทรายต้นไม้ภู ผ, ผาป่าไม้เอาไปด้วยนะสร้างไว้ก็สร้างไว้ไวในประเทศชาติ สร้างไว้ทําไว้ในพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นศีลเป็นธรรมสิ่งไหน ถ, ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองให้พวกเราทําอย่างนั้นทําแล้วสบายใจทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาพบมาเจอมาเห็นทำอะไรลงไปมีเหตุผลทําไมทําอย่างนี้ตอบเขาได้ไม่ใช่ตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้นั้นแปลว่ากึอกอักนั้นแปลว่าตอบไม่ได้ ถ้าทําสิ่งไหนลงไปให้ตอบได้โดยชัดเจนทำไมทําอย่างนี้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้แต่ว่าการตอบนั้นไม่ใช่ว่าไปน้ําคุนคุนหรือว่าดันทูลังไม่ถูกต้องตามคดีโลกแล้วก็คดีธรรมของเขาด้วยไปแบบเขาเรียกว่าเอาข้างเข้าถูไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปด้วยเหตุด้วยผลไปด้วยความสง่าผ่าเผยไปด้วยถูกหลักพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะอย่างนี้แหละขอให้หมู่พวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจมาอยู่วัดวาศาสนาให้รู้จักหลบให้รู้จักกลิกให้รู้จักการศึกษาตำรับตำราของพวกเราก็พร้อมวิทยุที่พวกเราได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาก็อย่างพวกที่ผมแนะนำ บอกกล่าวให้แก่พระลูกพระหลานผู้เข้ามาศึกษาใหม่ให้ตั้งใจศึกษานะให้ใจตั้งใจฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่พวกเราได้ฟังทุกวีทุกวันเนี่ยผมเข้าไปผมก็ฟังนี่แหละฟังที่ท่านเทศเท่านก็อัดไว้ท่านปรญญิยพระฝรังท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยได้อัดไว้ผมยังจำได้บางการผมเข้าฟังแล้ว เ, เขาก็ออกตั้งแต่ปี2512 ถึง 2,525 เ25นี่ยผมได้ฟังเกือบทุกกันผมพูดอย่างนั้นได้ทําไมไม่ได้ฟังเป็นบางการเพราะผมออกไปเที่ยวทุดงในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยบางการผมก็ไม่ได้ฟังแต่บางปีท่านเองผมอยู่ที่นั่นก็หลายปีเพราะนั้นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยเป็นธรรมเทศนาท่าน อบรมพระอบรมพระพระคือใครกับเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้พวกเราศึกษาถ้าให้เข้าใจกับฟังหลายครั้งเราหลายหนแล้วก็พยายามดูนวโกวาตทำมัฟวีภาคแล้วก็ขี่ปฏิบัติในนวโกวาตแล้วอ่านจุดนั้นเข้าไปแล้วหลวงตาจะพูดทำ ม, มากจุดไหนจะยกหลักทำจุดนั้นละ่ะเป็นหลักเป็นพื้นฐานเป็นหลัก พวกเราถ้าพวกเราได้อ่านจุดนั้นแล้วอย่างมักแปดเองเราก็อ่านสิมักแปดเนี่ยทําในกีหิปฏิบัติในนโมกวาต์ที่หมวดธรรมหมวดแปเนี่ยเราก็อ่านดูสิมักแปดคืออะไรก็ศึกษาอยเจสต์อย่างอริยสัจสี่นี่เราก็อ่านดูสิออส เ, เ, สเป็นยังไงอภริหานี่จะทำเจ็ดอย่างนี้ถ้าพูดถึงเราก็ไปอ่านไปศึกษาดู เราจะเรียงลำดับได้เพราะนั้นทํารทที่องค์หลวงตาแสดงแต่ถ้าเรายึดหลักข้อไว้ได้แล้วเนี่ยท่านจะพูดไปเราจะเข้าใจเกือบทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ยึดถ้าเราไม่ได้ศึกษาในธรรมวิภาคษ์เนี่ยจุดเนี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจท่านพูดไปอริยสัจ ส, สีนะทุกนะ ไตรลักษนะอสุภานะอย่างเนี้ยเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้ศึกษาจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจเพราะนั้นเรื่องการศึกษาเรื่องบวชธรรมนี่ก็จําเป็นเหมือนกันนะเป็ น, ปนมีความจําเป็นเพราะนั้นขอให้พวกเราพารุกพาลานทุกองคนะบวชเข้ามาแล้วให้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาด ขึ้นมาได้ต้องได้รับการศึกษาไม่ว่าคดีโลกและคดีธรรมถ้าไม่ได้รับการศึกษาจะเรียนรู้ได้อย่างไรจะรู้ได้ยังไงเรื่องภาวนาเรื่องหลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องแนวความคิดเฮ้เรื่องละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเรื่องของคดีโลกที่มองมองเห็นเป็นรูปประธรรมคดีธรรมรือพระพุทธเจ้าสอนเนี่ท่านเน้นหนักเรื่องนามวัตธรรมแนวความคิดเนี่ย แนวความคิดนะนึกคิดเรื่องอยังไงปล่อยวางที่ใจยังไงเรียนรู้ยังไงขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศึกษาและก็อย่าลืมอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าสินที่พวกเราได้ฟังจบลงสักครู่นี้เรื่องพระปฏิโมกศิลพระปฏิโมกที่พวกเราได้ฟังจบลงไปแล้วแล้วก็ให้ศึกษาพอสมควรสําหรับพระใหม่ก็ให้ เข้ามาศึกษาก่อนตาดูหูฟัง hey, ถ้าสงสัยตรงไหนให้ถามพระเก่าส่วนพระเก่านั้นก็อย่านิ่งดูได้เข้ามาแล้วเนอเพราะเราจะต้องเข้ามาศึกษาในหลักพระธรรมวิ น, นัยต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องดู hey, ปฏิโมกข์ยังผลจะท่องหรือเรียนรู้ในหลักพระธรรมวิ น, นัย hey, สรุปแล้วก็คือให้รู้ให้แตกฉานให้รู้ได้ว่าสิทธิข้าบทไหน เอ็นไหนเป็นอภิชมาจารอันนในมาในพระปฏิโมกอย่างนี้ก็ให้พวกเราคนขวาศึกษาพอสมควรสำหรับผู้ที่จะดำรงสงศน์ศาสนาต่อไปภายภาคหน้านแล้วก็พร้อมก า, การเป็นอยู่ของพวกเราคืออย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวเรื่องภาวนาเรื่องหาความสงบและก็แนวความคิดที่พวกเราได้มาพบมาเจอมาเห็น ความเป็นอยู่ของวัดวาศาสานา่าทีผ่ผมได้กล่าวได้เรียนให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบนะแล้็พร้อมกานขอให้ตั้งใจภาวนา ห, หาทางพ้นทุกข์ชีวิตของชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ให้ถามตัวเองสิเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราตายเป็นอยู่นั้นควรจะส่อแสวงหาทางสิ่งไหนที่จะเป็นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ควรจะทาอย่างนั้น อย่างมีผู้มาถามผมแนวความคิดของท่านแต่ละวันท่านมีความคิดอย่างไร ว, วิธีการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็บอกว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็มอบความไว้วางใจกับครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเรามอบความไว้วางใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็มั่นใจเราก็ศึกษาในหลักพระธรรมวินยนะัยแล้วท่านท่านไม่ทา ไม่ออกนอกลู่นอกทางเราก็เชื่อมั่นในท่านท่านพาดําเนินอย่างไรเราก็เชื่อมั่นในท่านเพราะท่านพาดำเนินในหลักพระธรรมวินัยส่วนด้านจิตใจนั้นในเมื่อเราอยากจะทําจิตใจให้สงบการเป็นอยู่นั่นคือเรื่องของศีลเรื่องของศีลก็คือเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็มอบความไม่วางใจอย่างที่ว่าเนี่ยกฎและเปียบอย่างไงท่านพาทำอย่างไงท่านพาทำแล้วเราก็จัดูใน วิทย์ในคลองละอีกวิทย์ใเราตรวจค้นได้นวโกวัตวิในมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามจากนั้นก็วิทย์ในปีดกต้นต่อของสิกขาบทแต่และสิกขาบทเป็นมาอย่างไรอภิสมานอภิสมาจารย์มากน้อยแค่ไหนเราค้นดูได้ว่า อ, อครูบาอาจารย์นี่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวิัยไหมอันนี้เราค้นดูได้เปรียบเทียบได้ถ้าเรา ไม่สนิทใจเราก็ท่องถามท่านเองชี้ขบดอย่างนี้ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไงทําไมท่านอาจารย์ทํานี้ชิ่ขบดนี้ทําไมเป็นอย่างนี้อันนี้พวกเราก็พร้อมที่จะถามได้นี่แหละคือศีล น, นะเราก็ไว้วางใจอย่นะากผมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็ไว้วางใจกับท่านมองท่านอยู่ตลอดว่าท่านไม่พาออกนอกลู่นอกทางท่านอยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยนะเป็นที่รักเคารพนับถือส่วนจิตใจที่นะีนะ่ที่ท่านสอนมานั้น ถ้าเราอยากจะให้จิตใจสงบเราก็ภาวนาสติสัมปชัญญะมาก่อนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสตินะบังคับนะให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนะเวลาเดินก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถอย่านึกคิดไปทางอื่นนะอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้บังคับให้อยู่ เราบังคับอย่างอื่นเราบังคับอะไบังคับตัวเองที่บังคับใจไม่ให้นึกคิดให้บริกรรมอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเป็นอะไรทดลองเลยที่สองสามชั่วโมงนี่นั่งดูที่มันจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือถ้าเราอยากจะให้จิตใจสงบเราก็ภาวนาพุทโธเมื่อเราพิจารณาพุทโธแล้วแต่จิตใจของเราบางครั้งมันทะเลถลายมันถลําออกไปข้างนอกมันเห็นโลกทั้งโลกนะ เห็นการทํามาค้าขายเห็นความสนุกสนานของเขาเห็นความรื่นเริงบันเทิงของเขาของหมู่ของเพื่อนเขามีเย่ามีเรือนมีคอกมีขัวมีวงศาคนาญาติมีสามีภรรยาเออมีทรัพย์สมบัติมีรถลาหมาวิ่งเออเขามีความสุขทีนี้เมื่อเราคิดเหตุอย่างนั้นใจของเราเป็นส่งออกในเมื่อใจโสงออกเราก็คิดว่าเออเรานะเราตายเป็นไหมวะ คืออันนี้คือเป็นการกระตุน้นหรือว่าเป็นการกระแทกให้จิตของเราสำนึกว่าคนเราในตายเป็นนะตายไปแล้วเขามีอะไรเขาเอาเอาอะไรไปด้วยเขาอยู่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเขาแก่เป็นไหมเขาเจ็บเป็นไหมเขาตายเป็นไหมถ้าเขาตายเป็นถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นเราจะตายเป็นไหมตายตายเป็นถ้าเราตายคนเดียวจะไม่ดีกว่าเลยไม่มีใครเดือดร้อนปนวายกับเรา เราเกิดมาคนเดียวเราตายไปคนเดียวจะไม่ดีกว่าเหลยดูสิใจอย่าไปลุ่มหลงโมวเมากับสิ่งเหล่านั้นนะทุกคนเกิดมาแล้วมันตายเป็นนะอ ใ, ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยี้คลายดูซิอันไหนที่เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจนี่แหละเทนนี่ยมันมาช็อกหรือว่ามันมากําหนดรูปการเป็นอยู่ของตนเองทีนี้เมื่อจากนั้นเรากับพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจ์ทุกขังอนัตตาเลยเทีนี้ จิตใจของเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหอิมไม่หลงไหลมัวเมาไม่เพ้อฝันกับสิ่งภายนอกเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้แนวความคิดของตนเองถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นแล้วนั่นนะความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะอยู่ในจิตใจคือคร้ายๆว่าถ้าจะเปียกๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียง น, ะนะั่นแหละทีนี้พอเพียงในจิตใจใจของพวกเรานะขอให้พวกเราพระลูกพระาน แหมพาน้องพะนุ่งทุกองนะให้ใช้แนวความคิดของผมด้ยสิผมได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นหละนะไม่ใช่เอาความตายมาขู่ตัวเองนะแหอตัวเองยังไม่ตายใช่ไหมจะงว่าทาไมจังว่าขู่เอาความจริงมาพูดให้ตัวเองเอาความจริงมาคิดใช่ไหมพูดอย่างนั้นจะถูกกว่าเอาความจริงมาคิดอมมาทำความเข้าใจกับตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะวันนี้ผมได้ พูดแนวความคิดในเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเรารวันนี้เป็นวันปฏิโมกให้สำบรวมกายวาจานะให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล น, นะแต่พวกเรามีศีลดีแล้วไปอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดนะเป็นที่ยอมรับของหมู่ของเพื่อนของครูบาอาจารย์ของคณะสัตว์ยญาติโยมของพุทธบริษัทตลอดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะถ้าคนมีศีลไปอยู่นสถานที่ใด ถ้าคนทุศิลไปอยู่แล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะหมู่พกเพื่อนพวกเราทุกทุกองค์นะอันตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกจบแล้วค่อยขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ต่อไป